ขอน้อมน้อพระรตัตนตไัยพระพุทธพระธรรมพระสงค์ขอกราบครูบาอาจารย์หลวงปู่กลมอาจารย์ยยกิอาจารย์สุรินแลวก็อาจารย์ตุ้มแล้วก็ขอโอกาสหมู่สงฆ์นะจรรนพรเมชีแล้วก็ญาติโยมทุกคนอ่ก็ไปได้อยู่ที่วัดนี้หลายเดือนมาเจอนา น้าเก่ายังจำได้อยู่เน้ะก็วันนี้เก่าอากาศคุยธรรมะกันหน่อยเนาะธรรมะเป็ดแล้วก็คุยกันเนะเดี๋ยวก็เล่าเรื่องมันไม่เป็นเชิงเล่าหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังกันมาเนาะว่าคนเราเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนอ่ะก่อนไหนอ่ะก่อนตั้งแต่มี พระพุทธเจ้านะก็ก่อนไปไม่ Infinity, อินฟินิตี้อ่ะก็มีความทุกข์กันเยอะนะเกิดมาแล้วไม่มีใครไม่ทุกข์ทุกจากอะไรบ้างอะ่ะก็ทุกจากความแก่ความเจ็บความตายนะทุกจากความไม่สมความปรารถนานะคิดสิ่งใดไม่สมความปรารถนาก็เป็นทุกข์นะความโศกเศร้า ทีอะไรอะอะไรอ่ะความตกเฒ้าเสียใจนั่นแหละตามที่เราสวดมนต์เช้าๆก็มีอยู่ก็ทุกกันทั้งนั้นเลยแต่ด้วยปัญหาของความทุกข์ก็หาทางออกกันไม่ได้นะอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าก่อนสมัยพระพุทธการเนี่ยมีผู้แสวงหาเพื่อความพ้นทุกข์เปนเยอะมากนะอย่างที่เรารู้รู้จักในนามของฤาษีหรือพวกดาบดเนี่ยก็ไป แสวงหาเพื่อความพ้นทุกข์โดยการปฏิบัติเรียกว่าทํากันหลายรูปแบบนะแต่สมัยนั้นเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องศีลเรื่องอะไรเขาก็มีกันอยู่นะศีลเนี่ยการไม่ทําชั่วให้ทําความดีเนี่ยก็มีกันอยู่แล้วแล้วก็เรื่องสมาธิก็มีอยู่นะแต่สมาธิเนี่ยก็บางทีอาจจะเป็นมิจฉาสมาธิอยู่หรือบาง สำนักอาจจะเป็นสมมาสมาธิก็อาจจะเป็นได้อันนี้ได้ยินได้ฟังนะเกิดไม่ทันส่วนเรื่องปัญญาปัญญาก็มีเรื่องของทางพระพุทธศาสนาอย่างเดียวนะปัญญาเพราะว่าทางพวกฤาษีพวกดาบดเนี่ยเขาไปไม่ถึงปัญญาหรอกเขาไปแค่พวกอารมูปฌานกันเขาไม่ได้เห็นความจริงนะไม่ได้เห็นความจริงของของสังขารของเราเนี่ยที่มีประกอบด้วยร่างกายจิตใจ ไม่ได้เห็นความจริงว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นอนัตตาแต่เขาก็ความรู้สึกว่าเขาก็ไม่ทุกข์แล้วล่ะการที่เขาเข้ารูปฌานได้นะเพราะว่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้อะไรไม่คิดไม่นึกไม่มีอะไรกระทบบางก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งนะแต่พระพุทธเจ้าก็ได้เรียนจนสำเร็จเรื่องนี้เหมือนกันนะปรกฏว่าท่านบอกว่าก็ยังไม่ใช่หนทางถึงที่สุดของทุกข ท่านก็เลยเรียนวิชาต่อต่อมาด้วยการทรมานตนให้ลำบากบรรทุกทุกขกติยาก็ดังที่ทราบมาก็เอาเป็นว่าหลังจากพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะแต่ในยุคนั้นอีกก็ยังมีแหละคนที่ศรัทธานะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็มาเรียนกันมาศึกษามาฟังธรรมจนกระทั่งสามารถที่จะบรรลุนะ บรรลุธรรมขั้นสูงกันผลนทุกข์แต่ในขณะเดียวกันเราบรรดาพวกดีนาเดียรัตถีนะดาบทอื่นๆก็อาจจะมีอยู่ที่ยังไม่ได้ศรัทธาเลยเพราะว่าเชื่อมั่นในในการกระทําของตนว่าตนเองได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ว่ากันไปนะทีนี้เรามาพูดถึงในยุค ข, ของเรานะก็นึกว่าโชคดีแล้วที่เราอยู่ในยุค ข, ของพระพุทธศาสนา เราได้ยินได้ฟังคําสอนของรพระพุทธเจ้าโดยผ่านมาจากครูบาอาจารย์ผ่านมาจากผู้รู้นะได้ยินได้ฟังกันโดยเฉพาะอย่างเรามาวัดเนี่ยของสุขโตก็รู้กันอยู่ว่าทําวัดสวดมนต์เสร็จแล้วก็จะฟังธรรมกันประมาณครึ่งชั่วโมงครูบาอาจารย์ของพ่อคําเขียนก็อาจารย์ไปสารแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่นี่ก็มีการพูดคุยธรรมะ ก, กันอยู่เป็นประจํา ะเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆก็ฟังบ่อยๆมันก็จําได้หมดแหละพูดอะไรในจําหมดแล้วจําได้แล้วจําได้หมดนะเปลี่ยนหลงเป็นรู้นี่ก็จําได้เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ก็จําได้เปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธจําได้หมดละแต่ทําไมจําได้มันยังมีโกรธมีทุกข์อยู่เนาะเออก็ว่ากันไปทีนี้เมื่อเช้าเมื่อเช้าเนี่ยถ้าพวกเราได้ฟังธรรมหลวงพ่อคําเขียนนะ ท่านได้แสดงธรรมได้พูดอย่างชัดเจนมากเลยนะพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวเนี่ยท่านพูดตั้งแต่เหมือนกับว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ท่ามกลางถึงที่สุดมันก็อยู่ในเรื่องของความรู้สึกตัวนะไม่หนีไปไหนวันนั้นถ้าพูดไปแล้วเนี่ยคล้ายๆว่าสุขเอ่อความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นตั้งแต่เรียกว่าอนุบาลกันเลยแหละ ถายังรู้สึกตัวไม่เป็นนี่ก็ยังไม่เข้าอนุบาลถ้ารู้สึกตัวเป็นอาจจะเริ่มเข้าแล้วแต่ก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งจบปริญญานะที่ทันเทศนาเกิดเมื่อเช้านี่โอ้จนกระทั่งถึงไม่เป็นอะไรไม่เป็นไม่เป็นอะไรกับอะไระนะโอ้ฟังแล้วสุดยอดทีนี้มันปัญหาปัญหาก็คือว่าภาคปฏิบัตินี่เรื่องรู้สึกตัว บางคนคือจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากยกมือเข้าแล้วเดินก็แล้วความรู้สึกตัวเป็นยังไงอ่ะไม่รู้จักนะเดินทั้งวันปฏิบัติกันเยอะบางคนหลายเดือนนะบอกอบางทีเคยเจอเออก็ที่มาอาจจะบวดร่วมกันหรือว่าเคยบวชก่อนก็เล่าสู่กันฟังบอกว่ามาบวชมา สเดือนจะออกพรรษาอยู่แล้วบอกความรู้สึกตัวคืออะไรอะ่ะยังไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะนะคือเข้าใจได้ยากมากเรงความรู้สึกตัวหรือบางคนมากกว่านั้นปฏิบัติมาหลายปีมันยังไงความรู้สึกยกมือมันยังไงรู้สึกอะไรอะ่ะก็มีแต่สงสัยนทีนี้ตรงเนี้มันก็ทับจะอธิบายเป็นภาษาพูดเนี่ยว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ยากอยู่ทีนี้ลองลองฟังแบบนี้ดู เพื่อเื่ออาจจะอาจจะพอเข้าใจเราลองเทียบกับความไม่รู้สึกตัวก่อนว่าความไม่รู้สึกตัวนี่มันเป็นยังไงคือเรามีตัวเนี่ยนะเรามีร่างกายเรามีจิตใจเนี่ยนะแต่เราไม่รู้ว่ามันมีอยู่เราไม่รู้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเดินไปไหนจะนั่งจะนอนไม่เคยรู้ตัวเลยว่าตัวเองกาลังนั่งกาลังนอนกาลังทำอะไรอยู่ไม่รู้ตัว นะแล้วก็จิตใจก็เหมือนกันจิตใจเนี่ยกําลังคิดกําลังนึกหรือว่าจิตใจมีความสุขมีความโกรธมีความรักความชังก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าไม่รู้สึกตัวหรือถ้าเรียกอีกมุมหนึ่งก็คือว่าลืมตัวนี่ภาษาไทยลืมตัวคือมีตัวอยู่ก็ไม่รู้ว่ามีมีใจอยู่ก็ไม่รู้ว่ามีใจใจมีอารมณ์ต่างๆอยู่ก็ไม่รู้ว่ามีใจเห็นไหม ไม่รู้ไม่รู้กายไม่รู้ใจเขาเรียกว่าลืมตัวลืมตัวก็คือไม่รู้สึกตัว อ, ะนะอันนี้เรามองบุมนี้ก่อนหรือยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นเราดูโทรทัศน์อยู่เนี่ยดูสิ่งที่เราชอบอย่างรถตอนที่เราดูเนี่ยเราก็จะเพ่งใช่ไเราก็จะเพ่งไปมองในสิ่งที่เราดูอยู่ดูละครทีวีดูมวยดูอะไรเนี่ยดูฟุตบอลอย่างนี้ โยมผู้ชายเนาะอย่างสมมติว่าชอบมวยชอบฟุตบอลเนี่ยเวลาดูเนี่ยมันจะส่งจิตไปแนบกับจอทีวีเลยอะ่ะดูจนกระทั่งว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนนะบางครั้งถึงขนาดว่ามีคนเรียกยังไม่ได้ยินน่ะนี่ก็เรียกว่าลืมตัวเพราะว่าไม่รู้ตัวอจริงๆอ่ะมันมันมีเยอะมากหรือบางทีเรานั่งเมอลอยนั่งอยู่คนเดียวตาค้างไม่กระพริบเลย นี่ก็เรียกกาลืมตัวเหมือนกันตอนที่ลืมตัวมันจิตมันไปที่ไหนส่วนมากก็ไปคิดนะจิตไปดูไปคิดหรือว่าไปแอบบไปฟังอะไรเนี่ยคือตั้งใจจดใจจดใจจ่อกับการการฟังการดูหรือว่าคิดจนสุดเวียงไปเลยอันนี้ก็ลืมตัวโดยเฉพาะการลืมตัวโดยโดยที่หลงไปกับความคิดเนี่ยมีมากเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ย เรามีแต่ความคิดนะคิดสารพัดคิดอ่นะเพราะฉะนั้นเมื่อมันคิดมันก็ไม่สามารถที่จะรู้ตัวเองได้ไม่สามารถเ อ, อไม่สามารถรู้กายได้ไม่สามารถรู้จิตได้ทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมนะโดยเฉพาะตามแนวของสายหลวงพ่อเทียนท่านเน้นเรื่องความรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวมา้ก่อนให้มันโดยใช้อุบายการเคลื่อนไหวของร่างกายอนะ่เดิน แล้วก็ยกมือแต่จริงๆคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีไม่หมดแล้วละ่ะเรื่องความรู้สึกตัวเนาะอย่างในเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยสติปัฏฐานสูตรตั้งแต่รู้กายเดินยืนนั่งนอนใช่ไหมเรามีอยู่แล้วในออิริยาบทกายเดินยืนนั่งนอนเรามีอยู่แล้วแต่ทําไมเราไม่รู้ตัวว่ามันกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนเห็นไหมเราลืมตัวเดินมาตั้งแต่ นวนลอะตั้งแต่หัดเดินได้เลยจนกระทั่งอายุเนาะ่าไรก็แล้วแต่ถ้าไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติเนี่ยก็รู้ตัวไม่ได้ก็จะหลงลืมเหมือนเดิมอิริยาบถย่อยต่างๆนะอย่างเช่นการโค้การเหยียดการไหวการหยุดการเดินหน้าถอยหลังก้มเงยนะกลืนน้ำลายเหลียวซ้ายแล้วขวาอะไรเงี้ยแยกยไปหมดกัน รับประทานอาหารการดื่มมันมีหมด่ะพระพุทธเจ้าวางไว้หมดแล้วทีนี้เราก็รู้ไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกแล้วก็การหายใจเห็นไหมท่านหลวพุทธเจ้าท่านก็สอนทุกเรื่องแล้วลมหายใจเราก็มีอยู่หายใจเข้าหายใจออกเราเคยรู้บ้างไหมก็ไม่รู้อันนี้ที่พูดนี้เราบางทีอาตมาก็ไม่รู้ว่าใครใหม่บ้างใครแต่คนเก่าก็โอเคแล้วเคยฟังมาเยอะแล้วรู้หมดแล้วแต่ขอโอกาสเพื่อใครมาใหม่เนาะ มก่ อ, อการกันทีนี้พอเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าวางพระสูตรไว้มากมายนะเรื่องของกายเรื่องของใจทีนี้ทางหลวงพระเทียนท่านก็ใช้อุบายแต่ก็อยู่ในกรอบของคำสอนของพระพุทธเจ้าการคูกการเหยียดการเคลื่อนไหวพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าจะเคลื่อนยังไงจะเคลื่อนไหวยังไงไม่ได้บอกให้ชัดเจนก็แปลว่าใครเคลื่อนโดยวิธีไหนก็ได้ใช่ไหม ทลองว่าเทียงเคลื่อนโดยวิธีสิบสีจังหวะเราก็ลองทาดูนะเมื่อทาดูเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยเมื่อกายเคลื่อนไหวก็ใจรู้ได้ว่ากายมันมันพลิกมันยกมันเคลื่อนอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นจังหวะไปเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมารู้ที่กายจิตจะไปไหนเสียได้จิตมันทำงานทีละขณะเมื่อมันรู้กายแล้วเนี่ยมันไม่มีโอกาสจะคิดเป็นเรื่องอื่นได้เลยในขณะจิตนั้น น, นนะ ไม่มีโอกาสจะไปคิดได้แต่เมื่อมันคิดมันก็พาคจากการรู้อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเรารู้น้อยมันก็คิดมากนะถ้าเรารู้มากมันก็คิดน้อยอันนี้เรื่องของส่วนของร่างกายแต่ทีนี้ถ้าใจมันรู้ด้วยรั่วตัวมันเองนะสมมติว่าใจมันคิดตอนที่คิดขณะคิดนะ มันก็ไม่รู้ว่ามันคิดแต่เมื่อมันสลับกันพอคิดดับตัวรู้ก็เกิดแล้วก็ไปเห็นความคิดที่เพิ่งเพิ่งดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นใจของเรายิ่งคิดมากยิ่งรู้มากเพราะว่าอะไรมันจะสลับเหมือนกับการเราเดินเนี่ยเราเดินจงกรมถ้าเราไม่เดินเนี่ยเราจะรู้ว่าเดินได้ไหมเมื่อเราไม่เดิ น, ด ม, ะะ น, นมันก็รู้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั <grapes. S 1> ้นเมื่อจิตไม่คิดเนี่ยเราจะรู้ว่าจิตคิด มันก็ไม่ได้จะไปรู้อะไรในเมื่อจิตยังไม่ทันคิดเพราะฉะนั้นเดินมากก็รู้มากยกมือมากก็รู้มากยิ่งคิดมากมันก็ยิ่งรู้มากอันนี้กรณีที่ว่าเรามีสติที่ชำนาญเนาะแต่ถ้าสติไม่ว่องไวไม่คล่องแคล่วเนี่ยมันคิดมากไม่รู้เลยคิดทั้งวันคิดหลายชั่วโมงไม่รู้เลยก็แล้วแต่เพราะนั้นสิ่งจำเป็นก็คือเรา ต้องมาฝึกความรู้สึกตัวโดยเอ า, อ, าอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วก็คือร่างกายจิตใจเราเป็นอุปกรณ์ในการฝึกหลวงพ่อกำเขียนเทศแต่ละครั้งแต่ละครั้งในโอมันมีอยู่แล้วมันร่างกายจิตใจมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็โชว์ให้ดูนะโชว์อะไรร่างกายเดี๋ยวมันก็โชว์ความไหวความปวดความเมื่อยความตึงความร้อนความหนาวความไม่สบาย มามันโชว์นะมันโชว์ให้ดูแต่เรานักปฏิบัติธรรมบอกไม่อยากดูไม่อยากดูเอา้าอย่างนี้มันจะปฏิบัติธรรมได้ยังไงอ่ะจะปฏิจะปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์แต่พอทุกข์มันแสดงให้ดูหนีโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวนอนดีกว่าเอา้าเมื่อไปนอนแล้วมันจะรู้อะไรก็ไม่รู้อะไรใช่ไหมเมื่อเวลาเรานอนหลับจิตไม่ได้ทํางานและหลับหมดเลยทั้งร่างกายทั้งจิตใจเพราะนั้นเป็นจิตที่ไม่สามารถจะตื่นได้ในขณะหลับเพราะนั้นเราจะต้องตื่น นะตื่นขึ้นมาจิตจะได้รู้อาการทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับกายนะอาการทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตเช่นอารมณ์ต่างๆพวกธรรมอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตนะแม่กระทั่งเช่นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะรู้ด้วยตนเองว่าอ๋อจิตสงบก็รู้จิตไม่สงบก็รู้จิตมีความสุข ก, ก็รู้จิตไม่มีความสุข ก, ก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้นะหรือในชีวิตประจาวัน นะเดี๋ยวมีจิตมีอาการโกรธบ้างรักบ้างโมโหบ้างเบื่อบ้างเซ็งบ้างก็สารพัดมันแสดงให้ดูเห็นไหมธรรมะมันแสดงไงธรรมะคือเขาแสดงให้ดูเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมต้องขยันดูขยันดูได้คือมีสติคือรู้สึกตัวนะถ้าขาดความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ถึงมันมีก็ดูไม่เห็นไม่รู้เพราะนั้นเราก็ต้อง เพียนที่จะฝึกเรื่องนี้ทีนี้เราพูดถึงอยู่อย่างหนึ่งทำไมเราต้องมาเน้นเรื่องว่ารู้กายเพื่อเห็นจิตคิดก็เข้าใจอย่างนี้ว่าคนเรานะเรื่องความคิดเนี่ยมันก็มันเริ่มคิดเป็นมาเรื่อยๆอ่ะนะตอนเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคิดได้แค่ไหน แต่เมื่อต่อมาเนี่ยจะถูกพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็จะคิดเป็นเพราะว่าทำไมเขาคิดเป็นเพราะว่าระหว่างที่เขาจเจริญเติบโตอยู่เนี่ยเขาได้รับการสะสมข้อมูลอะไรต่างๆจากคนที่เกิดก่อนนั่นแหละพ่อแม่เพื่อนสังแวดล้อมอะไรต่างๆแล้วก็จะจาได้หมายรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะแล้วเขาก็จะคิดเป็นเมื่อเขาคิดเป็นความคิดก็ก็ มันก็ทำงานได้สะดวกนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีธรรมชาติชนิดหนึ่งเป็นธรรมชาติที่มีพร้อมกับชีวิตเหมือนกันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมที่มีอยู่ธรรมชาติอันนั้นคือสภาพรู้นะอันนี้จะเรียกอะไรก็ตามมีอยู่แล้วจะรู้ทางไหนจะรู้ทางหูตาจมกูกลิ้นกายใจมีอยู่แล้วอันนี้พร้อมชีวิต การรับรู้ทางตาคือการเห็นรับรู้ทางหูคือการได้ยินนะจมูกคือรู้กลิ่นลิ้นรู้รสกายรู้สัมผัสใจรู้การคิดนึกรู้อารมณ์ต่างๆในใจนี่เขามีมาพร้อมกับเกิดธรรมชาติอันอ น, นี้มันมีอยู่เป็นดั้งเดิมแต่ทำไมเราเห็นไม่ได้ที่เราเห็นไม่ได้เพราะว่าความคิดมันมาบางังเพราะเรามันคิดเก่งนี่เนาะพอตามองเห็นปั๊บ คิดทันทีเลยแต่ก่อนคิดเนี่ยมันมีอยู่นะเป็นการรู้ก่อนคิดมีอยู่เป็นสัตวผัสะแรกที่เกิดขึ้นมีอยู่เดี๋ยวจะลองให้โยมทาดูให้โยมดูอะไรสักอย่างลองดูซิว่ามันมีอยู่จริงไหมว่าไอ้รู้ก่อนคิดเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมหรือว่าพอเห็นปั๊บมันคิดเลยก็ของใครของมันเนาะ อ, อย่างอาตมาโชว์สิ่งนี้ให้ดูเนะาะธรรมะมันจะต้องใช้ของจริงประกอบไม่อย่างนั้นมันพูดไปแล้วมันเข้าใจยากอาตมาถามว่าเราเห็นสิ่งนี้ไหมทุกคนมีในใจอยู่แล้วถูกไหมเห็นแน่นอนถ้าตาเราไม่บอดใช่ไหมแต่โยมรู้ไหมว่าพอเห็นปั๊บเนี่ยมันแปลไปแล้วมันจำได้นี่คืออะไรถูกไหม มันคิดไปหมดแล้วมันเร็วมากพอเห็นปั๊มคิดเลยแต่ก่อนคิดมีอยู่เห็นก่อนคิดรู้ก่อนคิดมีอยู่เอายิงอันหนึ่งสมมติว่าตอนนี้นะโยมก็เห็นอยู่แต่โยมไม่รู้หรอกว่าเห็นอะไรแต่ช่างมันผ่านไปก่อนพออาตมายกสิ่งนี้มาโยมก็เห็นใช่ไหมพอเอาสิ่งนี้ออกโยมก็ไม่เห็นเหลียวใจบ้างไเรื่องพวกนี้มีอยู่ พอมาใหม่ก็เห็นพอออกมันก็ไม่เห็นเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเห็นนะมันมีอยู่นึกบ อ, อกมะเนี่ยมันยังไม่เห็นมันก็เกิดแล้วยกขึ้นมามันก็เห็นเห็นแล้วไงดับไปไปไม่มีตาสัมผัสกับรูปใช่ไหมรูปนามตาเห็นรูปตาก็รูปวิญญาณการเห็นเป็นไรเป็นนามเห็นรูป รูปไม่มีนามตั้งอยู่ได้ไหมดับรูปดับน้มดับดับไม่เหลือนะนี่เรื่องรูปนามเลยนะแต่นี่ยังเป็นข้างนอกอยู่ไม่เป็นไรเอาข้างนอกเป็นอุ ป, ปกรณ์ไปก่อนการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรู้รสรู้กายสัมผัสขนาดใดก็ตามที่เกิดการรู้ขึ้นมาเป็นรูปน้มหมดแล้วไม่รู้ยองฟังออกไหมคิดว่าถ้าปฏิบัติทำมานานคงฟังออกนะเสียง ฟังเสียงอาจจะมาพูดก่อนพูดได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินเป็นความเงียบพอพูดพูดแป๊บเดียวมันดับเลยเพาะเห็นหมมันเร็วไหมการรับรู้ของจิตจิตวิญญาณอะเร็วมากพอมีเสียงได้ยินพอหมดเสียงไม่ได้ยินรูปดับนามดับพอพอพอแยกได้เนอะอร่างกายของเราเหมือนกันเนี่ย ยมลองตีมือตีแขนตัวเองอะพอตีมันรู้ใช่ไหมเมื่ออยุดตีมันมันไม่มีให้รู้ตอนตีอะไรกระทบกันก็คือผัสสะใช่ไหมมาทบผิวกายเกิดการรับรู้ขึ้นมาเมื่อไม่กระทบก็หมดไปเหมือนกันรูปดับนำดับตายตายไม่เหลือเกิดมันก็เกิดใหม่เกิดใหม่นะรูปดับนำดับก็เกิดใหม่ มันก็เกิดเป็นวัตถจักอย่างนี้แหละตราบใดที่เราเกิดมามีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็มีเป็นรูปเป็นนามอยู่มันก็อะไรกระทบมันก็เกิดแล้วก็หมดการกระทบก็ดับมันจะเกิดดับเกิดดับอารมณ์ในจิตของเราอ่ะอจะชี้อะไรที่โยมดูได้ง่ายเอาโยมดูใจตอนนี้ไม่ต้องไปาหานะเอาเป็นความรู้สึกรู้สึกด้วยใจว่าเรารู้สึก สบายไหมโล่งไหมโป่องไหมใจเราหรืออึดอัดหรือววง่วงซึมๆมอะไรเงี้ยทุกคนรู้ได้ใช่ไมนี่เป็นอารมณ์ทางจิตละความช่วนเราเป็นสุขใจใช่ไหมความสุขก็เป็นเป็นอาการหนึ่งเป็นธรรมารมณ์ที่รู้ด้วยตัวมันเองอะรู้ด้วยใจรู้ด้วยมโนก็ได้อาจจะเรียกอย่างนั้นก็ได้มันมีความสืมว่ามีความสุขความสุขก็อันหนึ่งตัวรู้ก็อันหนึ่ง เมื่อความสุขไม่มีมันจะรู้ว่ามีสุขได้ไหมก็ไม่ได้สุขดับตัวรู้ตัวนี้ก็ดับนี่เห็นความเกิดดับของจิตมันดับทั้งทั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็ดับทั้งไอ้ตัวรู้นั่นแหละไม่รู้ยากไปไหมน่ะยากเลยเปลี่ยนเรื่องยากเปลี่ยนเรื่องเอางี้แจง่วงหน่อยเป็นปัจจดตังรู้ได้เฉพาะตน โยมลองทําให้หน้าตัวเองยิ้มยิ้มหวานๆแล้วดูหน้าตัวเองให้ชัดเลยรู้ได้ยิ้มเอาตอนนี้ทําหน้าโหดเที่ยมที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วโยมจะรู้จริงๆว่าเวลาหน้ายักหน้ามานเนี่ยเวลาโมโหเนี่ยหน้าเราจะเป็นอย่างนั้น่ะแต่เราเคยเห็นไหม <c oughs> นะอันนี้ต้องต้องมีภาคปฏิบัติอย่างนี้ถึงจะรู้ได้อ่าทีนี้โยมลองคิดอะไรก็ได้ คิดในใจแบบคิดโหดร้ายที่สุดก็ได้เห็นไหมมันรู้ได้นี่แต่นี่เราตั้งใจคิดมันก็รู้ได้แต่ถ้าที่มันลักคิดเนี่ยมันรู้ยากแต่เราหัดเล่นๆอย่างนี้บางทีธรรมะมันก็ต้องใช้เทคนิคเหมือนกันนะต้องมีศิละปะมีอะไรต้องใช้รูปแบบของตัวเองบ้างอะไรหัดไปไม่องั้นถ้าเราคัปปีมาทั้งหมดบางทีเราไม่พัฒนาเท่าไหร่หัดพูดในใจ พูดโทยไหมบางทีเขาบางทีเขาปฏิบัติมันก็มีพูดโธหรือบางทีเราเราไม่พูดโธหรอกมันพูดในใจพอเห็นหน้าคนเนี้ยสวยจังเห็นหน้าคนนี้ห น, ห, นนนหน้าเกลียดมันพูดในใจนะั่นแหะเราก็เห็นบ้างอ่าผู้หญิงก็เห็นหนุ่มคนนั้นบอกหล่อจังไหมผู้ชายก็เห็นผู้หญิงสวยจังแล้วแต่นี่มันเป็นความคิดใน ใ, นใจของเราทั้งหมดเลยนะความคิดเกิดขึ้นแต่ก็มโนวิญญาณคือมันไปรับรู้ถึงความคิดเมื่อมันหยุดคิดตัวรับรู้ก็ ดับเหมือนกันเนี่ยเกาเรียกว่าดูจิตเห็นการเกิดการดับในจิตความโมโหก็เหมือนกันโกรธเกลียดขึ้นมาเห็นพอมันดับไปก็เห็นมันดับเพราะฉนั้นตรงนี้มันเป็นวัตถจกักรมีมันมีการเกิดขึ้นการการตั้งอยู่ดับไปแต่มันจะมีได้ต้องมีเหตุถูกไหมอย่างยกตัวอย่างเนี่ยถ้าอาตมาไม่ยกสิ่งนี้มาโยมจะเห็นได้ไหมไม่เห็นที่เห็นได้เพราะว่ามันมีเหตุคืออาตมาเนี่ยทาเหตุขึ้นมามีโรคมีอันนี้ขึ้นมา พยมมองปั๊บมันเห็นพออันนี้เหตุดับความดับของการเห็นก็ดับด้วยมันก็ดับกันหมดเลยนะพระพุทธเจ้าสอนทำมาแต่เหตุใช่ไหมเหตุสิ่งนี้มีก็จึงมีสิ่งนี้เนี่ยเป็นปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันเพราะนั้นเราลองลองบางทีน้ำอาจจะมามีมีเรื่องเล่านิดหนึ่งเผื่ออาจจะเป็นประโยชน์ก็คือ อาจมานั่งอยู่แบบสบายๆอะนะนั่งรับลมพัดมาชอยๆสบายอยู่แล้วก็อยู่ๆมันก็ได้ยินเสียงนกร้องขึ้นมาแกล้งแกล้งเสียงนกนี่จําลองเสียงขึ้นมาตอนแรกไม่ได้ตั้งใจฟังหรอกแล้วนั่งดูวิธีทัศแล้วก็นกบินผ่านมามันร้องแกกล้งได้ยินแล้วเฮ้ยทำไมมันดับเร็วจังเสียงอยมันมันเกิดการ ฉุกคิดขึ้นมาได้ยินเสียงให้มันดับเร็วจังพ อ, อเองเอ้ามาแก้ๆอีกแล้วรอบสองอืมโอ้เสียงเป็นรูปอันนี้โยนิโซะนะคือพิจารณาล้วเสียงเป็นรูปการได้ยินเป็นนามเฮ้ยพำมันดับพร้อมกันความรู้สึกรูปนามมันดับพร้อมกันคือเสียงกับการได้ยินเนี่ยนะมันดับพร้อมกันสั้นมากเลยนะ ก, ก็หมดละ พออยูๆ่ๆเฮ้นึกขึ้นออกนึกออกขึ้นมาว่าก่อนจะเสียงดังน่ะก่อนที่จะได้ยินเสียงอ่ะมันมีความไม่มีเสียงของมันอยู่ก่อนแล้วแต่เราไม่รู้แต่พอเราได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยจิตมันย้อนมันทวนกระแสขึ้นมามันก็ไปเห็นสภาพคือการไม่ได้ยินก็เลยรู้ว่าอ๋อก่อนมีเสียงเกิดมันมีการไม่เกิดของเสียงอยู่ก่อนแล้วมีการไม่เกิดของวิญญาณอยู่ก่อนแล้ว สามทันเนาะอ่าทีนี้เรื่องกายสัมผัสก็เหมือนกันเราก็ลองแตะดูอา้าวตอนแตะมันรู้แต่ตอนไม่แตะมันก็มีเหมือนกันคือไม่มีการรับรู้มันจะเห็นคือมันจิตค่ๆมันมันนกระแสมันย้อนขึ้นไปอะนะย้อนไปเห็นว่าก่อนหน้าจะเกิดมันมีอะไรอยู่ก็คือความไม่ไม่ปรากฏการของของอะไรเงี้ยอย่างยกตัวอย่างชัดๆก็ได้อย่าง ตีคล้องเนี่ยก่อนตีได้มีมีเสียงไหมเราไม่เคยสังเกตถูกไหมหรืออาจจะสังเกตว่าอ๋อยังไม่ถึงเวลาเขายังไม่ตีคล้องก็คือรู้ได้แต่พอตีคล้องพับเสียงมันจะดังพอดังปับ๊บเราจะนึกได้ทันทีเลยว่าก่อนเสียงดังเนี่ยมันไม่มีเสียงอยู่วิญญาณก็ไม่เกิดการเกิดของวิญญาณก็ไม่มีเพราะมันยังไม่มีเหตุพอเราเข้าใจตรงเนี้ยเราเรื่องเข้าใจเรื่องความคิดว่าก่อนจะคิดเนี่ยมันก็คือมีไม่คิดอยู่ มีไม่คิดอยู่เบื้ Chen องเบื้องเขาเรียกว่าอยู่เบื้องหน้าแล้วถามว่าแล้วจะไปรู้อะไรก่อนคิดก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นสัมผัสแรกที่เกิดขึ้นนะความรู้สึกตัวเป็นสัมผัสแรกที่เกิดขึ้นก่อนคิดเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่คิดการปรุงแต่งก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยสุดยอดละมันไม่ได้เป็นอะไรลองไปบอกว่ามันเป็นอะไรสินั่นแหละคือความคิด ถูกไหมถ้าบอกว่าเป็นอะไรคือความคิดแต่ความรู้สึกตัวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนคิดขณะจิตเดียวตรงนี้เป็นความที่ไม่เป็นอะไรเพราะไม่มีการปรุงแต่งใดๆว่าเป็นอะไรเพราะนั้นที่เรายกมือเคลื่อนจังหวะก็ดีถ้ายอมไม่คิดนะยอมไม่รู้หรอกว่ามันมันอะไรแต่มันรู้สึกได้ถ้าเป็นภาษาพูด ก, ก็เหมือนกับ มันไหวๆมันตึงๆมันเมื่อยๆนี่นี่นี่ปรุงไปแล้วนะเป็นภาษาไปแล้วแต่โดยธรรมชาติเนี่ยมันรู้ได้ด้วยใจว่าอือือื ม, อ ม, อมลองดูพิจารณาดูถ้ายงมเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยมันจะคิดว่าคงไวในการปฏิบัติเพราะว่าเราเข้าใจสภาพที่การรู้โดยไม่มีการปรุงแต่งนะอันนี้อาจจะฟังยากเพราะว่าไม่เคยพูดแบบนี้มาก่อนเหมือนกันแหละ ก็เอาเป็นว่าคิดว่าคงสมควรกับเวลานะบางทีถ้าเรื่องเข้าใจยากฟังแล้วมันมันคิดแล้วมันอาจจะปวดหัวแต่ถ้าบางคนอาจจะฟังแล้วเข้าใจมันก็เออโล่งจิตสื่นนะจิตเบิกบานก็ได้ก็แล้วแต่ของใครของมันนะก็สุดท้ายนี้ขอคุณอำนาจของพระรัตนตรัยนะจง ยังไงดีอะก็คือให้เป็นที่พึ่งของเรานะทำให้เราสามารถที่จะมีความเข้าใจธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมกันในปัจจุบันชาตินี้นอะเรียนทอนทุกคน